บอกเหตุล่วงหน้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนซึ่งตัว ย, ยานของฉันจึงได้ช่วยชีวิตสามีเขาไว้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องมีอยู่ว่าในบรรดาเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับฉันซึ่งมีอยู่หลายต่อหลายคนปกติแล้วฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในครอบครัวของเพื่อนโดยไม่จาเป็นส่วนมากเราจะพบกันแล้วก็แยกกันไป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 ตอนนั้นลูกชายกำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายอายุ21แล้วก่อชักจะมีการออกเที่ยวเต่ฟังเพลงมีแฟนดูหนังตามประสาคนหนุ่มที่บ้านมีรถ3คันมีรถโฟกตู้ไว้ออกต่างจังหวัด1คันมีรถบ m คุณกิลดและชั้นใช้และมีรถ Toyota c โค o l ล a าคันเล็กเอาไว้สำหรับวิ่งซื้อของหรือชั้นใช้ในบางเวลาที่ BM ไม่อยู่คันหนึ่ง ลูกชายได้มาขออนุญาตจะเอารถคันเล็กไปเที่ยวกับเพื่อนโดยจะขอขับไปเองฉันก็ไม่ให้เพราะเกรงจะไปเป็นอันตรายถ้าจะเอารถไปก็ได้แต่ต้องเอาคนขับรถขับไปให้ลูกชายก็อ้อนวอนอยู่นั่นแหละว่าจะขอไปเองเขามีใบขับขี่แล้วสัญญาว่าจะไม่กลับดึกพยายามพูดต่างๆนาน า, นาฉันก็ไม่ยอมเมื่อเห็นว่าแม่ไม่ให้แน่ แล้วลูกชายก็ตกลงเอาคนขับไปด้วยฉันก็เบาใจจึงสั่งคนรถชื่อเจ้าชูให้ขับไปเป็นเพื่อนลูกชายดีดฉันลงไปกำกับอยู่ที่โรงรถและยืนดูเจ้าชูขับรถพาลูกชายออกจากบ้านขณะที่ยืนดูอยู่นี่พลันที่หูก็เกิดเสียงหัวเราะขึ้นมาฉันก็ถามว่าหัวเราะเรื่องอะไรเสียงก็ตอบว่าคาลูกชายเราน่ะสิ ฉันถามว่าคำอะไรก็หัวเราะ อ, อีกแล้วก็พูดว่านี่รู้ไหมมันออกไปนี่มันก็ไปปล่อยคนรถลงกลางทางแล้วก็ไปคนเดียวฉันก็เถียงว่าไม่จริงนาะก็ลูกชายรับปากออกแม่นมันแล้วนี่นาะเสียงก็ตอบว่าเออดูไปแล้วกันแล้วก็จะรู้เองเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ลูกชายเอารถไปใช้นับเป็นเดือนเดือน ฉันก็ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรผิดปกติจนกระทั่งคืนวันหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มฉันขึ้นข้างบนนานแล้วแต่เกิดรู้สึกหิวจะกดออดเรียกเด็กก็สงสารเพราะมันนอนกันหมดแล้วเราลงไปดูของในตู้เย็นเอาเองดีกว่าจะได้เลือกกินเองชนิดที่ย่อยง่า ย, ายเวลามันก็ค่อนข้างดึกแล้วฉันก็เดินลงไปที่ห้องพักอาหารเงีบเยบๆคนเดียว ขณะที่ฉันกำลังดูของในตู้เย็นอยู่พลันก็ได้ยินเสียงเจ้าชูคนขับรถซึ่งห้องนอนมันอยู่ใกล้ห้องพักอาหารพูดอะไรพึมพำกับเมียมันซึ่งเป็นคนซักผ้าที่บ้านฉันหยุดชะงักเพราะแปลกใจว่าเอรถคันเล็กยังไม่กลับมาแต่ทำไมเจ้าชูกลับมาก่อนฉันก็ส่งเสียงออกไปชูชูนั่นแกใช่ไหม เสียงเจ้าชูเงียบกลิบไม่ตอบไม่ขานรับฉันยิ่งแน่ใจว่าเสียงเจ้าชูแน่เลยเรียกให้ออกมาชูออกมาเดี๋ยวนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมออกมาหานายหญิงเดี๋ยวนี้ฉันเปิดไฟห้องให้สว่างขึ้นสักครู่เจ้าชูก็ออกมาจากห้องมายืนหน้าซีดอยู่ตรงประตูห้องพักอาหารฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกถึงกลับมาก่อนคุณแดงแดงเป็นชื่อเล่นของลูกชาย แล้วนี่คุณแดงอยู่ที่ไหนเจ้าชูอึดอัๆ อ, อ, อยู่พักหนึ่งในที่สุดมันหาทางออกได้จึงบอกว่าผมท้องเสียครับเลยขอคุณแดงกลับมาก่อนคุณแดงเลยไปดูหนังกับเพื่อนนายหญิงรู้นะชูว่าทุกครั้งที่แกไปกับคุณแดงแกไม่ได้ไปด้วยตลอดทางหรอกพอพ้นบ้านแกก็ถูกปล่อยลงรับมาเสียตรงๆเดี๋ยวนี้เจ้าชูปฏิเสธพลวันแต่ในที่สุดก็ยอมรับว่า ลูกชายฉันปล่อยมันลงกลางทางโดยให้สตังมันไปดูหนังแล้วก็ขับรถไปคนเดียวเพราะเวลากลับฉันก็ไม่เคยรู้ด้วยอยู่ในห้องแอร์ดูทีวีบ้างนอนแล้วบ้างเจ้าชูยอมรับแล้วก็ขอร้องว่านายหญิงอย่าให้คุณแดงรู้นะครับคุณแดงกำชับผมว่าถ้านายหญิงรู้เมื่อไหร่จะเตะผมฉันอดขันไม่ได้และแกร ก, ร ก, ก็โกรธมาก แต่ก็เห็นว่าลูกชายก็กลับมาได้อย่างเรียบร้อยก็เลยปล่อยให้ไปตามลำพังแต่ไม่ลืมที่จะบอกให้รู้ว่าแม่รู้ทุกครั้งตั้งแต่แกเอารถไปใช้วันแรกแล้วว่าแกปล่อยเจ้าชูทิ้งกลางทางเพราะเสียงกระทิบที่หูแม่บอกแกตบตามแม่ไม่ได้นานหรอกแต่เมื่อแกขับเองได้โดยปลอดภัยก็ไม่ต้องหัดโกหกแม่อีกต่อไปตอนตาทิศอีกเรื่องหนึ่ง นานเป็นสิบกว่าปีแล้วฝรั่งที่เชาวบ้านครอบครัวหนึ่งต้องการจะซื้อบ้านโดยทำสัญญาเช่า99ปีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยฉันก็เที่ยวสั่งตามมดาคนรู้จักที่เขาหาลำไพ่แบบในหน้าให้ช่วยหาบ้านที่อยู่ในสุขุมวิทเอเรียก็มีอาจารย์คนหนึ่งโทรศัพท์มาหาบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ในซอย16ถนนสุขุมวิทต้องการจะขาย เขาบอกว่าเข้าไปไม่ลึกอยู่ประมาณหลังที่สามหรือสี่พอฉันได้ยินดังนั้นฉันก็มองเห็นบ้านหลังนั้นขึ้นมาทันทีเข้าไปในซอยสิหอยู่ทางซ้ายมือบ้านหลังนี้ประหลาดมากกล่าวคือมองด้านนอกเป็นบ้านไม้สองชั้นใหญ่ตีฝาแบบทีๆคู่เดียวทาสีเขียวฝรั่งเก่าๆแต่เมื่อมองเข้าไปข้างในจะเห็นเป็นตึกหมดทุกห้อง ฉันได้ถามอาจารย์คนนั้นไปว่าบ้านนี้ทำไมเขาถึงทำไม้ข้างนอกแต่เป็นตึกข้างในอาจารย์ตอบว่าบ้านนี้เคยเป็นที่ประทับของพระนางสุวัฒนากับเจ้าฟ้าเพชรรัตตอนเสด็จกลับจากเมืองนอกใหม่ๆยังไม่ทันได้สร้างวังถาวรเจ้าของบ้านตอนเด็กเคยเป็นข้าหลวงของท่านเลยทำบ้านข้างในให้เป็นตึกเพื่อให้ดูงดงามสมพระเกียรติแต่เอ๊ะทาไมคุณพี่ทราบล่ะคะ คุณพี่เคยไปบ้านหลังนี้มาแล้วหรือคะฉันไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเลยเอ อ, เออค่ะค่ะไปตามเรื่องแต่นี่ถ้าอาจารย์คนนี้แกรู้ว่าฉันมองเห็นและไปมาทางโทรศัพท์แกคงต้องช็อกไปแน่ๆวันหนึ่งตอนบ่ายประมาณสองโมงฉันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนที่มีบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ขณะนั้นตัวเขาอยู่บ้านที่กรุงเทพไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้าง เผอิญเป็นวันเดียวกับที่ไปเห็นบ้านที่ซอยส6กสุขุมวิทมาหยกยกจึงเล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังด้วยความตื่นเต้นคุณบุญหลงคือเพื่อนคนที่กำลังคุยกันอยู่ทางโทรศัพท์ก็ลองภูมิชั้นขึ้นมาทันทีบอกว่าเออคุณมองอะไรอะไรเห็นทั้งทั้งที่ตัวไม่ได้ไปคุณลองมองชั้นซิว่าขณะนี้ชั้นแต่งตัวยังไงธรรมดาคุณบุญหลงเป็นคนใส่เสื้อต้องมีแขน คือไม่ชอบใส่เสื้อแขนสั้นแต่วันนั้นช่างประหลาดฉันมองเห็นคุณบุญหลงใส่เสื้อแขนล้ํามีอยู่สมัยหนึ่งนิยมใส่เสื้อเปิดบ่ามีสีเขียวมรกตยาวถึงตาตุ่มฉันนึกประหลาดใจเกือบไม่เชื่อว่าเห็นจริงๆแต่ก็บอกไปตามที่เห็นว่าคุณหลงคุณเป็นคนชอบใส่เสื้อมีแขนแต่ทําไมวันนี้ถึงใส่เสื้อแขนล้ลําล่ะเสียงคุณหลงร้องอุ๊ยตายตา ย, ตายมาตามสาย แล้วร้องถามว่าเสื้อสีอะไรฉันก็บอกว่าสีเขียวมรกตยาวถึงตาตุ่มเลยคุณหลงก็ร้องถามอีกว่าคอล่ะคอเป็นแบบอะไรฉันก็เห็นเป็นคอแหลมธรรมดาไม่ได้ตกแต่งอะไรก็บอกไปคุณหลงยิ่งร้องดังขึ้นแถมบอกว่าคุณนี่ยังกับมีตาทิพนะรู้ไหมฉันใส่เสื้ออย่างที่คุณเห็นจริงๆเพิ่งไปเอามาจากร้านเลยลองใส่ จะไปงานแต่งงานเขาวันพรุ่งนี้เอามาลองใส่ดูว่าจะใส่กับเครื่องเพชรอะไรดีแม้คุณนี่เก่งจริงๆนะเรื่องแบบนี้เราให้ฟังไม่รู้จบเพราะฉันเที่ยวมองเห็นใครต่อใครซึ่งไม่เคยพบปะมาก่อนได้อย่างถูกต้องเสมอถ้าไม่คิดว่าเป็นการโม้ก็จะเขียนมาเล่าให้ฟังกันเล่นๆต่อไปบ่อยๆที่ฉันชอบมองเห็นอะไรต่ออะไรหรือผู้ที่กาลังคุยอยู่ด้วยทางโทรศัพท์ ตามที่เคยเล่านี่ก็นึกได้ขึ้นมาอีกสองสามเรื่องก็จะขอเล่าสู่กันฟังมิใช่จะโอ้อวดอภิิหารอะไรหรอกเพราะตัวฉันเองก็ยังนึกแปลกใจตัวเองอยู่ทุกครั้งเรื่องอย่างนี้ถ้าใครเล่าให้ฟังฉันก็คงไม่เชื่อแต่นี่มันเกิดกับตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าก็เลยต้องเชื่อวันหนึ่งน้องชายฉันหมายถึงลูกคุณป้าได้โทรศัพท์มาหาคุยเรื่องอะไรก็จาไม่ได้แล้ว คุยไปสักพักน้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวนะครับฉันก็ตอบหึแต่ทันทีก็เห็นน้องชายเขาถือหูโทรศัพท์มือซ้ายส่วนมือขวาก็เอื้อมไปเขี่ยบุหรี่ฉันก็บอกว่าเออเขีย่ยซะเดี๋ยวมันหล่นเกลื่อนบ้านน้องชายเขาก็ร้องมาทางโทรศัพท์ว่าไหนพี่ว่าไงนะครับฉันก็พูดว่าอา้าวก็เราถือบุหรี่มันลามตั้งนานแล้ว ก็ว่าให้เขีย่ยทิ้งซะตอนที่ฉันตอบเขาฉันก็ลืมตัวว่าเราอยู่บ้านเราฉันไหนจึงไปเห็นน้องเขาถึงที่บ้านน้องชายเขาก็ร้องเสียงดังมาตามสายว่าเอ๊ะพี่เห็นได้ยังไงครับว่าผมเขี่ยบุรีฉันเลยนึกได้ว่าเออจริงสิเราอยู่บ้านเราไงไปเห็นน้องเขาได้ฉันเองก็งงเหมือนกันก็เลยตอบเขาไปว่า ไม่รู้สิว่าทำไมถึงเห็นน้องเขียบุรี่ได้น้องชายเขาก็เลยถามว่าพี่เห็นน่ะเห็นอย่างไรบ้างผมแต่งตัวยังไงฉันก็มองเห็นเขานุ่งกางเกงแพลสีม่วงเก่าๆถลกชายพกลงมาคลุมลุ่มร่ามใส่เสื้อคอป่านคอกลมสีขาวลุกขึ้นยืนแล้วเอื้อมมือขวาไปเขียบุรี่พอฉันบอกจบน้องชายเขาก็ยิ่งร้องดังใหญ่โอยพี่พี่นิตาทิพนี่ ที่พี่บอกนะ่ะเพะเลยเอแปลกจริงๆพี่ไปเรียนนั่งทางในมาหรือนี่ฉันก็บอกว่าเปล่าไม่เคยไปเรียนที่ไหนเลยแต่มันเห็นเองเขาจึงถามฉันว่าพี่ช่วยมองซิเห็นดาวในพลผมขึ้นหรื อ, อยังตอนนั้นเขายังเป็นพันเอกพิเศษฉันก็มองแต่ไม่เห็นเรื่องก็เลยจบกันไปเรื่องนี้ก็แปลก มีอยู่ระยะหนึ่งที่ฉันต้องติดต่อกับบริษัทเงินทุนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานมีวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทแผนกสินเชื่อคนหนึ่งชื่อคุณกเกษมโทรศัพท์มาเราคุยธุรกิจกันอยู่สักสิบนาทีเห็นจะได้ฉันก็มองเห็นหน้าคุณกเกษมซึ่งกําลังพูดกับฉันขึ้นมาอย่างชัดเจนคุณกเกษมเป็นคนขาวคางมนในตาเล็กคิ้วสั้นนิดเดียวและตรงๆไม่โค้ง หัวยุ่งมากยังกับถูกดีเวลาพูดจะเห็นมีเขี้ยวกระทบกันงับงับฉันร้องบอกคุณกเกษมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกเกษมคุณหยุดพูดเรื่องธุระเดี๋ยวช่วยตอบคาถามฉันหน่อยเถอะคุณกเกษมก็หยุดพูดแล้วรอฟังฉันก็บอกว่าน้าเกิดเห็นหน้าคุณขึ้นมาเฉยๆทางโทรศัพท์คุณกเกษมร้องเอ๊ะคุณป้าเห็นผมได้ยังไงครับแล้วก็หัวเราะแบบไม่เชื่อฉันก็บอกว่า คุณต้องตอบไปตามความเป็นจริงนะคุณกเกษมก็รับปากฉันก็เลยเล่าไปทุกอย่างตามที่เห็นคุณกเกษมก็ตกใจร้องมาว่าเอ๊ะแปลกจริงๆคุณป้ากับผมยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยแต่คุณป้าพูดมานี่ถูกหมดแล้วนี่คุณป้าเห็นเขี้ยวผมขบกันนะ่ะข้างไหนครับฉันก็ตอบไปว่าข้างขวาใช่ครับถูกเพงเลยทางนวนตอบมาเสียงดังฉันเลยถามอีกว่า ขอโทษนะทำไมผมของคุณถึงยุ่งขนาดนั้นละ่ะยุ่งมากทีเดียวยังกับถูกดีคุณกเกษมหัวเราะชอบใจใหญ่ตอบว่าสภาพของผมเป็นอย่างนี้ล่ะครับหวีเท่าไหร่ก็ไม่หายยุ่งผมเคยเอาน้ำใส่ผมแล้วสวมหมวกนอนตื่นเช้าเอาหมวกออกก็ดูดีแต่อยู่ได้ไม่ทันถึงชั่วโมงก็ยุ่งใหม่ผมก็เลยปล่อยตามเรื่องแต่แม้คุณป้าครับผมชักศรัทธาคุณป้าจริงๆ คุณป้านั่งทางในหรือครับถึงได้มองเห็นอย่างนี้ฉันอดขำไม่ได้เลยตอบไปว่าป้านั่งได้ยังไงก็ป้ากำลังลืมตาคุยอยู่กับคุณอยู่นี่หละแต่มันมองเห็นขึ้นมาเองเออยังงั้นคุณป้าก็มีตาทิพสิครับที่มองเห็นได้แบบนี้วันหลังขอไปหาคุณป้าที่บ้านได้ไหมครับขอให้คุณป้าช่วยมองอนาคตให้ผมทีว่าเป็นอย่างไรฉันเลยตอบไปว่าป้าคงจะมองไม่ได้หรอก เพราะที่ป้ามองเห็นนี้มันก็เห็นขึ้นมาเองไม่ใยตั้งใจมองให้เห็นคุณจะมาถามอะไรป้าป้าไม่รับรองนะว่าจะรู้หรือไม่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณเกษมก็งงไปและยังบ่นพึมพำอะไรอยู่หลายคำก่อนจะวางสายจากกันตอนที่ชื่อว่าลูกสาวคนโตได้เล่าถึงเรื่องอะไรต่ออะไรหลายเรื่องแล้ว จะขอเล่าถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของฉันอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นลูกสาวคนโตลูกสาวคนนี้เด้เล่าตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าได้ส่งไปเรียนต่างประเทศถึงสประเทศคือเริ่มต้นจากไปเรียนอนุบาลที่ประเทศออสเตรเลียพอจบหลักสูตรก็พอดีฉันแต่งงานใหม่กับคุณกฤิฉันเบื่อชีวิตการเมืองในประเทศไทยก็เลยหอบครอบครัว พร้อมคนใช้หนึ่งคนไปอยู่โลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยให้ลูกสาวบินกลับมาสมทบที่เมืองไทยแล้วไปพร้อมกันไปอยู่ในประเทศสวิตหนึ่งปีเศษก็ย้ายไปอยู่อังกฤษให้ลูกสาวเรียนวิชาเลขานุ ก, การีนีที่อังกฤษอีกปีเศษจึงได้กลับเมืองไทยกันลูกได้แต่งงานกับสามีซึ่งต่อมาได้หย่ากันเพราะนิสัยเข้ากันไม่ได้มีบุตรสาวสองคน แล้วก็ได้เข้าพิธีสมรสใหม่กับพลตรีชูศักด์วัฒนะรนชัยยศในขณะนั้นหลังจากครองตัวเป็นม่ายอยู่สองปีชีวิตแต่งงานใหม่นี้ลูกสาวมีความสุขมากแม้สามีใหม่จะเป็นพ่อม่ายเหมือนกันมีลูกติดพ่วงท้ายมาถึงสี่คนแต่ลูกสาวฉันก็ไม่รังเกียจรักลูกดังลูกตัวเองครอบครัวเขากลมเกลียวน่ารักดีมาก ฉันปลูกเรือนหอห้าห้องนอนให้ที่แถวคลองตันแต่อยู่ที่เรือนหอนี้ได้ปีเศษเศษก็ต้องย้ายเพราะถนนหน้าบ้านเกิดเป็นถนนที่เขานำศพของชาวอิสลามผ่านมาฝังอยู่บ่อยๆฉันนั่งมองเห็นเจ้าที่เป็นชายหนุ่มคุ้มดีคุ้มร้ายอารมณ์ไม่คงที่แม้จะเป็นวิญญาณที่สิงสู่อยู่ณที่นั้นเวลาวิญญาณอารมณ์ไม่ดีทางบ้านลูกก็มีเรื่องวุ่นวายตามไปด้วย ฉันก็เลยให้ขายแล้วไปซื้อที่ใหม่แถวถนนพหลโยธินลูกสาวก็รำร้องอยู่แต่ว่าจะปลูกเรือนไทยฉันก็ขัดคออยู่ตลอดเวลาเพราะในจิตและญาณฉันบอกว่าเรือนไทยไม่เหมาะสำหรับคนธรรมดาจะอยู่เหมาะที่จะสร้างกุฏิในวัดวาอารามมากกว่าถ้าคนเอามาปลูกอยู่ก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนาน า, นาช่างออกแบบก็เลยไม่รู้จะลงมือเขียนแบบอะไร ระหว่างที่ยังไม่ตกลงใจว่าจะสร้างบ้านใหม่เป็นแบบไหนนั้นลูกสาวฉันก็เลยต้องไปเช่าบ้านหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยรอสอพอชั่วคราวก่อนจะเกิดเหตุเศร้าสลดใจกับฉันครั้งนี้อยู่ๆวันหนึ่งฉันฝันว่าได้ซื้อรถยนต์คันใหม่ยี่ห้อมอริสให้ลูกสาวในวันเกิดแต่พอบริษัทเขาเอารถยนต์มาส่งมันกลับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าทำด้วยไม้สีน้ำตาล ด้านในบุด้วยผ้าสีเหลืองไม่มีพวงมาลัยไม่มีเครื่องยนต์เมื่อฉันลงมาดูเห็นรถเป็นอย่างนั้นก็ตกใจในฝันว่าจะคืนรถเขาก็ไม่ได้เพราะให้เงินไปแล้วได้แต่ปีนเข้าไปดูแล้วก็นั่งปรงอนิจจังว่าโธ่แล้วนี่ลูกจะใช้รถนี้ได้อย่างไรแล้วก็ตกใจตื่นรู้สึกไม่สบายใจลึกๆว่า เอนี่เราฝันแบบนี้มันไม่ดีกับลูกนี่นาแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีคืนต่อมาก็ฝันอีกว่าตัวฉันกับลูกสาวกำลังยืนดูศาลานั่งเล่นที่ฉันสร้างใหม่ปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกเรียบเสมอและดูสบายตากำลังชื่นชมว่านานั่งเล่นนอนเล่นแต่ทันใดนั้นพื้นที่ปูกระเบื้องโมเสกที่ว่าสวยงามอยู่ยกยกกลับพลิกคว่ำทั้งห้อง กลับกลายเป็นน้ำคลําขึ้นมาแทนและมีก้อนอุจจาระอยู่สองกองกองหนึ่งเล็กอีกกองหนึ่งใหญ่เมื่อหันมาดูลูกสาวก็หายตัวไปแต่เห็นลูกเขยเดินเข้าบ้านมาแต่งตัวแบบไว้ทุก์ฉันไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขนาดถึงชีวิตแก่ลูกคิดเพียงว่ายังไงยังไงก็จะไม่ยอมให้ปลูกบ้านเป็นเรือนไทยเด็ดขาดที่ฉันฝันนั้นเป็นวันอังคารกับวันพุธ พอวันเพระหัดก็โทรศัพท์ตามลูกสาวมาพบลูกบอกว่ามาไม่ได้เลิกงานแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะมีงานที่ทำเนียบชูศักดิ์เป็นทหารคนสนิทของท่านนายกถนอมขณะนั้นตกลงลูกก็มาหาวันเสาร์เย็นและได้พูดจาเรื่องแบบบ้านจนเกิดโมโหลูกก็ร้องไห้แล้วรำพันว่าอยากจะมีเรือนไทยอยู่แม่ก็ไม่ยอมต้องอยู่บ้านเช่ามาตั้งหลายเดือนแล้ว พอแม่อย่าห้ามเลยลูกอยากอยู่บ้านเรือนไทยฉันก็อึดอัดใจจะเล่าฝันให้ฟังแล้วกลัวลูกจะกังวลก็เลยเลิกรากันไปโดยไม่ตกลงกันเช้าวันอังคารจำได้ว่าวันที่ส1อกรกฎาคมปีพศส5งพสเวลาประมาณ 9.40 โมงสสฉันกำลังนั่งคุยกับพี่สาวและหลานสาวซึ่งพากันมาเยี่ยมบ้านเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เด็กรับแล้วบอกว่าชูศักลูกเขยอยากจะพูดด้วยเรื่องด่วนมากฉันลุกไปรับเสียงลูกเขยพูดมาว่าคุณแม่ครับแข้ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินขอให้คุณแม่ไปเดี๋วนี้ฉันตกใจมากแต่คิดว่านี่ลูกคงจะขยันปีนขึ้นไปตกแต่งอะไรในโรงแรมที่ที่ทำงานลูกสาวฉันขณะนั้นเป็นหัวหน้าแม่บ้านใหญ่ของโรงแรมโอเรียนเตน แล้วคงตกลงมาฉันรีบแต่งตัวลวกๆชวนพี่สาวฉันคือคุณป้าของลูกไปเป็นเพื่อนด้วยเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเลิศสินฉันก็ตรงขึ้นไปข้างบนแต่พยาบาลบอกว่าแผนอุบัติเหตุอยู่ชั้นล่างฉันรีบลงบันไดตรงดิ่งสุ่มไปข้างล่างก็พอดีพบชูศักด์ลูกเขยซึ่งคงมารอยอยู่แล้วชูศักด์ร้องไห้หน้าตาแดง ฉันตัวชาไปทันทีเพราะถามถึงแขลูกเขยตอบพรางร้องไห้ว่าสิ้นใจแล้วฉันจำได้ว่าร้องออกมาคำหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกตัวพอฟื้นขึ้นมาเห็นตัวเองนอนอยู่ในห้องห้องหนึ่งมีกลิ่นแอมโมเนียโชยมาใกล้ๆคุณกลิษก็มายืนร้องไห้อยู่ไกลๆพอเห็นฉันฟื้นก็ตรงเข้ามากอด ป่อบไปร้องไห้ไปฉันรู้สึกว่าตอนคุณพ่อแกตายฉันว่าฉันสูญเสียยิ่งใหญ่แล้วแต่มาถึงเสียลูกคราวนี้ความปวดร้าวความอาลัยรักใดๆก็เทียบไม่ได้ฉันจะไปดูศพลูกแต่ไม่มีใครยอมพาฉันไปขรนพอจะไปเองก็ไม่มีแรงแม้จะขยับตัวมันหมดแรงไปเฉยๆได้แต่นอนร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือด โถเอ๋ยลูกแม่อายุแค่33ปีเท่านั้นกำลังสาวกำลังสวยเป็นน้องเล็กของวปอรุ่นเจ็ซึ่งพี่ๆทุกคนรักใคร่อย่างแข็งแรงนิสัยใจคอก็มีแต่ความเมตตาอ่ อ, อนหวานชอบช่วยเหลือทุกของผู้อื่นแต่แล้วก็ต้องมาตายเพราะความเมตตาได้มีการรดน้ำศพที่โรงพยาบาลเลิศสินนั่นเองพวกวปอรุ่นเจ็มากันหลายคน แต่ฉันจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครจาได้อยู่คนเดียวคือคุณสาเนารัตนวราหะซึ่งเป็นประธานวปอฝ่ายหญิงได้ให้ชูศักลูกเขยประคองฉันไปหาลูกแต่ขอว่าไม่ให้ร้องไห้น้ำตารดลูกฉันจำได้ว่าลูกรักของฉันแต่งชุดไทยสีกร ม, มท่านอนเหยียดยาวนิ่งสนิทอยู่บนเตียงสูญเสียเลือดมากจนซีด พอเห็นหน้าลูกใจฉันก็หวิวจะซุดลงอีกชูศักก์ก็ประคองตัวฉันไว้ฉันพยายามสกัดกั้นน้ำตาเพราะกลัวลูกจะไปไม่ดีรดน้ำอโหสิกรรมให้แก่ลูกมือที่แบบบางของลูกที่เคยกอดแม่ออซ้ะเรื่องนั้นเรื่องนี้บัดนี้มือนั้นซีดขาวจนเขียวหมดสิ้นเรื่องที่จะออซ้อแม่อีกต่อไป นับแต่วินาทีที่สูญเสียลูกฉันกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งจำอะไรไม่ได้กลัวการอยู่คนเดียวจำใครก็ไม่ได้พูดปัญหาอะไรกับฉันไม่ได้จากฉันคนซึ่งเคยคล่องแคล่วตัดสินปัญหาได้โดยรวดเร็วกลับกลายมาเป็นคนเสื่อมซึมไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ใจลอยไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้เป็นเวลาเกือบปี ความฝันของฉันที่ซื้อรถยนต์ให้ลูกแต่ลักษณะคล้ายลงก็เกิดเป็นความจริงอย่างรวดเร็วที่สุดและฝันคืนที่สองที่ว่าเราสองคนแม่ลูกยืนดูศาลาสร้างใหม่พื้นโมเสกปูเรียบเป็นมันพรันก็พลิกกลับกลายเป็นน้ำครามขึ้นมาแทนและเหลือเพียงอุจจาระอยู่สองกองลอยอยู่ก็คือหลานสาวสองคนตัวเล็กๆคนโต8ดขวบคนเล็ก7ขวบ ที่เป็นภาระของยายต้องดูแลต่อไปในที่สุดเสียงที่ริ่มร้องของลูกครั้งสุดท้ายก่อนตายเพียงสามวันที่อยากจะอยู่บ้านเรือนไทยก็กลายเป็นความจริงแต่เขาก็ได้ไปอยู่เพียงวิญญาณเท่านั้นเพราะอะไรหรือก็ศาลาที่ตั้งศพของลูกที่วัดธาตุทองนั่นอย่างไรฉันจำชื่อศาลาไม่ได้แต่ศาลานี้ใหญ่มากพอเข้าไปอยู่ขวามือหลังแรก ปลูกเป็นบ้านหลังคาแบบไทยแท้เรื่องนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆว่าทําไมถึงเป็นไปได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ปวดร้าวสเทือนใจอย่างใหญ่หลวงซึ่งฉันจะลืมไม่ได้ตลอดชีวิตนี้และเมื่อวันงานเผาศพลูกความทุกข์ความอาลัยลูกอย่างแสนสาหัสได้หลั่งไหลออกมาเป็นกรนพร้อมกับน้ำตาได้อย่างยืดยาวฉันได้ขึ้นไปพักผ่อนที่บนเรือรับรองที่เขาใหญ่ ตั้งใจจะไปนอนพักแต่กลับนอนไม่ได้สมองได้ร้องไห้พร้อมกับน้ำตาออกมาเป็นกรอนโดยไม่ได้คิดไม่ต้องแต่งไว้ก่อนเลยกรอนนี้ฉันได้พิมพ์ลงในหนังสืองานศพลูกด้วยกรอนนั้นมีดังนี้ที่11อกรกดานิจจาเอย๋ยไม่คิดเลยเคราะห์จะร้ายใหญ่มหันลูกที่รักสุดหัวใจต้องวายปลาน เพราะมือมานมันพิฆาตดับทีวีเมื่อตอนเช้าก็ยังเห็นอยู่หลัดหลัดเพียงแค่สายก็มาพลัดไปเป็นผีบอกครั้งแรกแม่ไม่เชื่อว่าลูกนี้อยู่ดีๆจะมาจบชีวิตไปแม่ยังจำติดตาถึงหน้าเจ้านอนหน้าขาวสนิทนิ่งไม่ติงไหว แม่ไม่เชื่อว่าคือเจ้าไม่เข้าใจเรื่องอะไรมาบอกแม่ว่าแขตายลูกเพียงหลับฝันไปเพราะได้เจ็บเดี๋ยวหมอเห็นเจ็บจากลูกลูกก็หายลืมตาขึ้นมองหน้าแม่ซีดดวงใจไม่มีใครรักเจ้าเท่าแม่รักแม่จะเฝ้าปลอบลูกจนลูกตื่น ให้ลูกฝืนจากหมอนมานอนตักแม่กับลูกเคยทำมาช้านานนักนะลูกรักลืมตาขึ้นให้ชื่นใจหมอจะช่วยแก้อย่างไรลูกไม่ฝืนแม้จะฝืนขืนแก้ก็ไม่ไหวลูกของแม่นอนนิ่งไม่หายใจเขาบอกว่าลูกแม่ตายแล้วแน่นอน อ น, นิจาลูกแขของแม่เอย๋ยไม่นึกเลยลูกจะจากแม่ไปก่อนหัวใจแม่แทบจะขาดอยู่รอนรอนยายไม่คอยแม่ก่อนไปด้วยคนแม่จะอยู่ได้อย่างไรไม่มีลูกแม่พันผูกอยู่กับเจ้าทุกแห่งหนยามเจ้าสุขแม่ก็สุขจนท่วมทน ยามเจ้าทุกแม่ยิ่งทนยิ่งทรมาลูกมาตายจากแม่ไปอย่างนี้แม่จะมีชีวิได้อย่างไรหนาเราเคยสุขเคยทุกข์ร่วมกันมาสองคนมาแม่กับเจ้าเราเข้าใจแม่มีลูกอยู่คนเดียวในโลกนี้แม้ชีวีแม่ก็แลกกับลูกได้ ขอให้เจ้ากลับคืนให้ชื่นใจแล้วแม่ตายแทนลูกแม่ก็ยอมแม่แก่แล้วอยู่ไปก็ไร้ค่าโลกไม่น่าพิสมัยใหญ่ถนอมไม่มีสุขมีแค่ทุกข์ทุกจนงอมแม่ไม่ยอมอยู่คนเดียวให้เปลี่ยวใจนึกถึงสองหลานน้อยละห้อยหา อ, อนิจจามาขาดแม่ทำชะไหนตาดำดร่ำอาดูลสูดแม่ไปถ้าขาดยายเจ้าคงคล้ายตายทั้งเป็นโผไปหาสองหลานคลานมาซบแทบสลบขาดใจเมื่อมองเห็นโทรแม่คุณของยายใหญ่มาเฟ้น เกิดอันเป็นกับแม่เจ้าเข้าเช่นนี้แสนสงสารเจ้านักไม่จากโลกยามนีโศกจนลืมเจ้าจะคิดหนีไปจากโลกอันแสนเศร้าไม่เข้าทีต่อไปนี้ยายต้องช่างยับยั้งใจเพราะมีเจ้าอยู่สองคนที่ยายต้อง คอยปกป้องปัดเป่าให้เจ้าหายจากทุกโศกจากโรคร้ายและอันตรายอยู่กับยายแทนแม่เจ้านะเจ้านะแม่เจ้าอยู่ยายก็รักเจ้าอยู่แล้วแม่เจ้าแคล้วลาโลกไปยายยิ่งจะต้องรักเจ้ามากยิ่งขึ้นไม่ลดละยอมสละ ทุกใหญ่หลวงห่วงหลานเออยแต่แสนช้ำดวงจิตคิดไม่หยุดแม้จะฉุดไม่ขอคิดจิตไม่เฉยคิดวกวนก่นแต่เศร้าถึงสามเชยลูกแม่เอยจคิดถึงลูกผูกจิตไว้อยากจะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ทาคาหาร เหาะเหินไปถามได้ว่าคนดีประพฤติดีดีจิตใจเหตุชะไหนท่านไม่ช่วยให้ผลมานปล่อยให้มันทำได้ตามใจมันจนอาสันดับดิ้นสิ้นสังขารท่านก็รู้อยู่กับท่านมันคือมานจะมาผลาญคนดีดีให้หนีภัย ใหญ่ไม่ช่วยเป่าปัดให้คลาดแคล้วให้ล่วงแล้วอย่าได้ทำลูกคาได้ถึงมีเคราะห์ก็ให้มีเพียงยองใหญ่นี่กระไรเลยท่านไม่เมตตาบนโลกนี้ที่แสนจะสับปรับคนทำดีก็รีบรับเอาไปได้ที่คนชั่วชั่วทั้งจิตชั่วทั้งกาย กลับปล่อยให้ลอยนวลกวนโลกาคนทำชั่วทำบาปหยาบกิเลสแสนอาเพศอยู่เฉยสเบยหนามีความสุขจเจริญขึ้นทั้งเงินตราไม่มีใครให้มาฆ่ามาราวีนาสงสารลูกของแม่มาแค่นี้บุญเจ้ามีน้อยนิดนะลูกหนา เจ้าต้องจากแม่ไปไม่นำพาลูกเกิดมาเพื่อใช้กรรมเท่านั้นเองพระไม่ช่วยคนไม่ช่วยจนมวยมอดควรจะรอดก็ไม่รอดมันขมเหงคนเคยรักเป็นศัตรูไม่รู้เกรงต้องโทษเพลงเก่ากรรมมานำไปเจ้ากำลังมีสุข กับลูกผัวไม่คิดกลัวใครจะมาอิจฉาได้เจ้าจอดจิตคิดทดําดีอยู่ร่ําไปถึงลูกตายลูกก็ตายไปแต่ตัวความดีของลูกนั้นไม่พลันสูญอย่างพ่อภูนอยู่กับแม่และลูกผัวไม่มีวันลืมเจ้าได้เจ้าอย่า ก, กลัว ถึงจะสิ้นก็แต่ตัวความดียังชื่อของลูกจะจารึกอยู่กับแม่ติดแนบแน่สนิทแน่นเหมือนกับฝังลงรากลึกผนึกไว้ในใจกลางหัวใจแม่จะไม่วางจนวานปลายถ้าแม่อยู่ก็จะอยู่กับใจแม่ถึงแม่ตายไปกับแม่ไม่แปรผนัน ชาตินี้แล้วยังชาติหน้าชาติไหนนั้นแม่กับลูกอยู่ด้วยกันทุกชาติไป